ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีสายมารอเป็นที่เรียบร้อยเป็นสายของคุณคิงครับคุณคิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มาเล่าเรื่องผีๆกับผมนี่ได้ตื่นเต้นน่ากลัวมากวันนี้คุณคิงมาอีกแล้วนะฮะมาพร้อมกับประสบการ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับอยู่ทางภาคใต้แต่แล้วการขอไม่ระบุจังหวัด นะครับคุณคิงตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าโรงพยาบาลบ้าไม่รู้เหมือนกันว่าโรงพยาบาลว่าที่ว่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องตื่นเต้นนะา ก, กลัวและประศอยงขวัญประสบการลี้ลับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องของคุณคิงกันเป็นเรื่องแรก แล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ได้อัจริให้ได้บรรยากาศในการติดตามฟังเรื่องทีผีนะครับแนะนำให้ปิดไฟหรือเปิดไฟสลัวสลวถ้ามีแอร์ก็เปิดแอร์เย็นๆถ้ามีหน้าต่างมีมุ้งลวดนะครับก็เปิดหน้าต่างไว้ปิดมุ้งลวดให้ลมมันผ่านเข้ามา แล้วก็ใช้จินตนาการในการฟังเรื่องราวต่างๆไปด้วยคุณผู้ฟังก็จะได้อัศรสในการติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยทางหลังไม้ส่งสัญญาณมาเรียบร้อยว่าพร้อม ผมก็พร้อมแล้วแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นเข้าสู่ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็ชสยองขวัญกับ The ะโกสเรดิโอของเราในค่ําคืนวันนี้สายแรกกับสายของคุณคิงกันเลยครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊คนะครับคุณคิงได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับครับผมชัดครับพี่ได้ยินชัดเจนนะนะฮะคุณคิงเคยคุยกับผมแล้วหนึ่งครั้งต่อหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เล่าเรื่องไว้ได้ตื่นเต้นน่ามากวันนี้เห็นคุณชิงส่งข้อมูลมาคุยกับทีมงานหลังไหม่น้องๆ้อทีมงานคุณผมบอกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันรเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้านะครับที่เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้เลยแล้วกันเนาะนะเราจะไม่พูดถึงจังหวัดไม่พูดถึงที่ตั้งของโรงพยาบาลและชื่อของโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ ครับผมอ่านะครัคุณชิงพร้อมไหมฮะพร้อมแครับอยากฟังเรื่องนี้มากเป็นยังไงครับเรื่องของโรงพยาบาลบ้านที่ว่านี้ครับคุณชิงอ่าครับผมผมเริ่มเลยแล้วพี่โนไดเลยครับอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายที่ผมรู้จักกั น, นแกชื่อว่าพี่โนกันแล้วฮะตอนนี้ว่าพี่โนกเนี่ยแกเป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักท่านี้ก็นนดื่มเหล้าหนักเนี่ยแฟนแกเนี่ยจะเอาไปเลิกเหล้าได้ที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ย เขามีเขตของคนที่จะเลิกเล่าด้วยอเขามีรับบำบัดเรื่องเล่าเรื่องธุราอะไรเงี้ยพี่โนโกะแกก็ได้ไปเข้าไปเป็นหนึ่งในงคนที่โดนบำบัดนั่นแหละอันนี้คือเรื่องที่ผมฟังเขามานะพี่นะแต่ว่าผมฟังเขาผมก็อยากบอกว่าผมสะทานมากเลยเรื่องนี้นนะคือ <c oughs> ในการที่เขาไปบำบัดเนี่ยทุกวันเนี่ยคนที่ไปบำบัดเรื่องสุราเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับโรคประสาทเขาจะแยกโซนกันอันนี้ว่า เขาไปประวัติเรื่องเล่าเนี่ยก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่โดนกัก บ, บริเวณไม่โดนอะไรเงี้ยจังวันทําตัวเหมือนปกติกลางคืนเนี่ยก็ตกเย็นเนี่ยเขาอันนี้คือพี่เอาเล่ฟงว่าตกเย็นเขาจะมียาแจกให้จะเป็นยาสำหรับคนที่คล้ายๆว่าพอเวลาเขาตกเย็นมาต้องกินเหล้าจะโอกจะอาบอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะให้ยาตัวเนี้ยมันจะซึมซึมเขาบอกซึมมากเลยซึมเหมือนคนแบบว่าเหมือนคนเบอร์ไปเลยอะ่ะบางคนนี่ถึงหนักๆค้างหนักๆเขาให้ยานักนี่ ถึงกับนั่งน้ำลายย้อยเลยนะพี่ครับท่า น, นี้ว่าตัวแกเองก็จะปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแล้วในการที่เข้าอบเข้าคอรับการบําบัดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดสองเดือนอการเข้าไปนี่จะต้องให้ญาติเส็นรับรู้รับทราบหมดทุกอย่างนะครับเขาก็โอเคปกติเข้าไปสอบเยนมาก็รับยากินอยู่ได้แล้วก็จะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนแรกเขาจะอยู่ในห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องมีหลายๆคนอืนก็จะมีเตียงใครเตียงวันถึงเวลากินยาแล้วก็นอนถึงเวลากินยานอนแต่จะมีลุงคนหนึ่งเนี่ย แกนอนอยู่เตียงฝั่งตรงข้ามซึ่งพี่โนกแกบอกว่าจัางวันนะแกไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่าลุงคนนี้ยได้ยินข่าวแว่วว่าเขาบอกว่าติดหนักต้องการเลิกให้ได้จุประสงค์คือจะหกักดิบเลยกลางวันจะไม่เคยเห็นแกเลยแต่ตกเย็นเย็นมาก็จะเห็นแกมาอยู่โดยการที่แกจะมานอนแล้วจะมีคนอ่าเอาใคร้ายๆว่าเป็นสายลัดอะสายลัดอะไรเงี้ยมาลัก ว, วเพราแกจะพุ้มข้าง แกจะข้างตกกลางคืนกจะโวยวายอะไรเงี้ยครับ<ะ>ทุกคนก็จะฟังทนฟังเสียนแกจนแค่แบบพอได้ยาไปเนี่ยทุกคนเบอร์<ะ>เบอร์เสร็จก็จะหลับ<ะ>โอเคพี่น้องแกบอกเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งคือแกตรงใสเนา ะ, ะตอนนั้นแกก็เริ่มอาการดีขึ้นเลยก็อยู่ไปได้เกือบเดือนละอาการคือแกเริ่มไม่อยากเล่าแล้วอะ่ะเริ่มรู้สึกว่าถึงไม่มีตัวยาก็ไม่เป็นไรล้วะกินข้าวอิ่มก็โอเคแน่นละแกก็เลยทําอาการดีขึ้นแล้ว ใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ครบสองเดือนไงพี่เพราะว่ามันมันเป็นใบที่เขาเซ็นไว้ไงที น, นี้แกก็ออกปากกับป้าคนที่เขาหานมาท่งวนะ่าป้าลุงเกียงนั้นไปไหนป้าแกหันมามองนะแกไม่ไม่คิดอะไรมากนะแกกระชากเสียงคำเดียวมันตายไปแล้วแกขึ้่าเอา้าทำไมพูดจางงี้วะปานคนในโรงพยาบาล แกก็เงียบๆแกก็แบบสงสยคงไม่อยากคุยอยากที่เล่าอย่างเรามั้งอะไรเงี้ยแล้วป้าแกก็ดูเนคนที่ิ่งหงิดไปเดินมาไม่เคยคุยกับคนใครเลยแกก็แล้วไปกินยากินยาเสร็จปุ๊บแกเห็นลุงคนนี้ใหม่ละแต่มาด้วยตัวคนเดียวมาถึงแล้วก็มานอนแล้วก็พยักหน้าให้แกนิดนึงแกก็พยักหน้าและยิ้มนะก่อนที่ยาจะเริ่มออกอาการกล่อมประสาทให้แกเบอือครับท่านี้พ อ, อยาเรื่องกลอมประสาทเนี่ยแกก็เห็นลุงคนนี้คุ้มข้างเละอือ แกก็โอเป็นเหมือนเดิมอยแล้วเว้ย<ม>เดี๋ยวกูก็ไม่รู้เรื่องคือแก่ น, นี้แค่เล่านะครับต้องขอโทษด้วยแกบอกว่า เ, เดี๋ยวกูก็ไม่รู้เรื่องและไม่ไปไรไ่เว้ยตอนอนลงพอนอนลงเสร็จปุ๊เนี่ยทุกอย่างเงียบ<ม>ขานติไปจนเช้าต<ม>ื่นมาไม่เห็นเลยคือ<ม>เป็นอย่างเงี้ยและเห็นลุงคนเนี้ยคือปกติจะต้องมีคนพามาจิ้มยงนะครับ<ม>แต่ว่าสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครพามาเลย<ม>แกเดินกลับมาเองแล้วก็มานอนเอง แล้วก็โวยวายคุ้งข้า่งเองในส่วนพี่โนโกแกก็ไม่รู้เรื่องแล้วเบอร์ยายาออกฤีธิกก็นอนละแต่วันที่สี่คือเป็นวันที่จะครบสิ้นเดือนหนึ่งเดือนนะครับแกบอกว่าวันเนี้ยพิเศษเพราะว่าลุงวันนีก็เดินเข้ามาตั้งแต่แกยังไม่ได้เอายาเข้าปากครับแกก็พยักหน้าให้กันนะลุงแกก็พยักหน้าเดินเข้ามาเงียบๆแล้วมานั่งแล้วก็มานั่งมองหน้าแกนะแกก็รีบตบยาเข้าปากเลยคือจะรีบเบอร์เดี๋ยวเ๋ยวลุงโวยวายเราอยู่ไม่ได้อีกแกว่าอย่างนั้น ในขณะที่ยาเริ่มซึมเริ่มซึมแกเห็นลุงคนนี้เริ่มแบบเริ่มหงุดหงิดและเริ่มครับนั่นงบนเตียงเริ่มพิกไปพิกมาที่ไปพิกมาแล้วพอแกกำลังแบบนึกภาพนะพี่ตาแกห้อยลงแล้วเตรียมจะปิดแล้วลงุงคนนี้ก็กระชากกระชากตัวบนเตียงแ่ะกระชากเสร็จแล้วลุกขึ้นมาบอกสงสัยอะไรมึงสงสัยอะไรอยู่เงี่ยแกก็ว่าเฮ้ย อ, อ, อะไรวแะแล้วแกก็นอนอพอนอนเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งมาเลยครับอันนี้ผมจะเล่าแบบ ไม่ไม่นัดตอนกลาวันพรากลาวันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะตกเย็นเย็นน่ะตอนที่เขาเอาข้ามาให้นะแกก็บอกไหนป้าบอกว่าลุงคนนั้นตายไงออืเมื่อคืนผมเห็นแกมาตั้งสามสี่คืนนะอแล้วเมื่อคืนนี้แกก็ยังพูดอะไรกับผมผมจําไม่ได้มากรู้ตัวว่าแกพูดสงสัยอะไรนะป้าแกก็หันมาบอกคือบอกว่ามันตายไปแล้วไงออืแกก็เฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วแกก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าแกก็แบบแกก็รู้ตัวแกเป็นคนอารมร้อนเนี่ยเถียงกันไปก็ยาว แกก็หันมาพูดกับคนข้างๆเหมันกัเป็นลุงที่แบบบำบัดมาด้วยกันเี้ยบอกทําไมแกพูดใจนี้ยคนไข้ตายเตยตอะไรเขายังอยู่เลยลุงนี่แกก็ทําเรื่องมองนิดนึงแกบอกไม่ต้องไปใส่ใจแล้หรอกถึงเวลากินยาแล้วนอนในนมแกก็เลยบอกครับครับครับอ น, นี้คืนนั้ น, เนะเขาใหมา่ลุงอะไรแกก็กินยาแล้วเบอร์แล้วเจอเหมือนเดิมอีกคือลุงคนนี้แกจะกระชากเขาจะมองแต่ปิโนเนี่ยแล้วบอกผมใส่อะไรผมถึงใส่อะไรหนะผมถึงใส่อะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนเดิมแบบเดิม ทำเหมือนเดิมครับแล้วแกก็นอนแกก็ขาดส ต, ติแหละ<ม>นอนหลับไปอีกวันหนึ่งเนี่ยแกบอกเลยบอกว่าคุยกับคนที่นั่นบอกว่าลุงคนนี้ไม่ตายแต่ว่าเตียงข้างๆที่เป็นลุงที่บำบัดมาด้วยกันเนี่ยแกก็บอกเฮ้ยไอ้หนุ่มเขาบอกว่าลุงคนนี้ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วนะอ<ม>ืมแกก็เลยบอกไอ้ที่ผมเจอก็ไม่ใช่คนะแกก็บอกน่าจะไม่ใช่แกก็คิดแล้วเอาแล้วกูทางไหนว่ากลาวันแกก็เลยทําเรื่องบอกว่าผมจะกลับบ้านถ้าไม่ให้กลับของขอย้ายห้องครับ เขบอกว่ารอหมอมาเช็กก่อนพอรอหมอมาเช็คเสร็จเนี่ยหมอ ก, กต็ตรวจอาการแกแล้วถามแล้วแกบอกว่าผมไม่ต้องไม่ต้องให้ยาผมแล้วผมไม่ค้างผมไม่รู้สึกอยากเล่าเลยทุกวันเนี่ยผมมีหนังสือผมก็อ่อานได้นอนหลับได้หมอก็เลยอ่านเช็กอาการดูปุ๊บงั้นเดี๋ยวคุณย้ายไปอยู่อีกตึกหนึ่งสําหรับเตรียมที่จะรอให้คนใญาติมารับจริงจริงตึกเนี้ยเขาจะต้องให้คนบําบัดแบบเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยแล้ค่อยไปอยู่รอให้ญาติมารับท่านี้แกก็ย้ายไปอะแกะบอกว่าย้ายไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ห้องนี้ดีกว่าจําหวนโรงพยาบาลธรรมดาทั่วไปอืคือจะมีทีวีแล้วมีเตียงรวมหลายๆเตียงจะไม่แยกระหว่างชายกับหญิงแล้วก็นี่คือคนแบบคนดีแล้วกับคนปกติแล้วออออ่ืืแกเข้าไปถึงที่นั่นแกก็เห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสิบห้าสิบหกกับอีกคนหนึ่งอายุสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเนี่ยเขามาเลิอกอะไรแกไม่ได้ถามอืแต่ว่าเด็กที่อายุสิบห้าสิบหกเนี่ยมาเลิกบําบัดเรื่องสารละเหยคือ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกาวหรืออะไรเงี้ยนะแกก็คุยกันปกติพอคุยกันปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยออกกลางคืนออืตกกลางคืนนะพี่ตกกลางคืนปุ๊บสองคนนั้นะเขาจะไปนอนอยู่ริมไหนสุดเลยแล้วลักษณะเสียงจะเป็นเตียงแบบมีล้อเขาเข็นเข้าไปคิดกันแล้วก็นอนเบียดกันอืแล้วพ่อโฮมคุมคุมโปงไม่คุยนะพี่โน๊ตแกก็ว่าต้องไม่มาดูหนังกันล่ะครับเขาแเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดูเหอะดูเฮ้ย พี่น้องแกก็จะไปนั่งเกียงริมสุดเลยนะริมสุดคือปากประตูออกห้องเลยแล้วก็จะกดทีวีดูในห้องก็ปิดไฟหมดแล้วก็มีแค่ น, นแกก็เปิดเตียงทีวีบบอกแกทำอย่างนี้อยู่ประมาณสามสี่คืนแกก็เไปสงสัยว่าทำไมผู้หญิงสองคนนั้นถึงได้ไปนอนรวมกันเตียงก็ต้องหลายตัวอย่างนอนสบายก็ได้อืตกกําลังแกก็เลยถา ม, มาว่าโกหกผีกนันเหร อ, หอเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ที่จะพูดถึงนี้ที่จะ พ, พูดถึงนี้ดิในห้องนี้อย่าพูดดิ แกก็เลยเล่าให้ฟังแกก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งเจอมาใหมากที่ยังเห็นจะเป็นมันเราเลยแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเจออะไรมาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอายุสี่สิบกว่าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอย่าพูดถึงอะไดีที่สุดแล้วไอ้น้องแกก็บอว่าเอา้าผมพูดถึงนั้นเป็นอะไรพี่เขาอยู่คนละเปลกันเขาคงไม่ตามมาหรอกแล้วอย่างเนี่ยเรามันแบบดีๆแล้วเราไม่ต้องกินยาแล้วไม่ต้องเบิรแล้ ว, ลวเรามีสติคนทุกอย่าง แกก็ลันแกก็ยังจะพูดเล่นพูดเลยแย่ yeah. บางทีพูดนั้นเดินผ่านก็บอกระวังพีหลอหนลกนะอะไรเงี้ยแกก็แย่คันนี้นคืนวันนั้นอ่ะสองคนนี้ทํามือนเดิมเข้าไปชิดริมในนี่คือวันที่ทําให้แกจะต้องโศขาเมียแกแล้วเมียแกมาตามเป็นผมเพราะว่าเชิญมารับหน่อยขี่มอไสมารับกันหน่อยออคือแกนั่งดูทีวีเหมือนเดิ ม, มแล้วในขณะที่ในห้องเนี่ยนะที่ตอนแรกผมบอกกนะันว่ามีแค่ามคนคือตัวพี่โน้กับผู้หญิงสองคนนะ แต่ในขณะที่แกดูทีวีแกมองไปแล้วไม่มีใครทั้งนั้นนะสองคนนั้นก็นอนอยู่ดิมหนอยู่ดีทีวีดับตุ๊บแกก็ว่าเอาแกกดที่รีโมดรีโมดมันก็ไม่ ต, ติดนะลงไปมันคงดับที่ตัวทีวีแกก็คิดว่ามันเป็นอะไรวะเลยเดินไปแล้วแกมกาคนตัวสูงอยู่แล้วอไงผมอมนนยแกก็ขยงิงขยิงแล้วก็กดปุ่มทีวีอ่ะปึ๊บปึ๊บปึบปบ๊ประมาณสองสมทีมันติดชิ่งขึ้นมากอชิ้นเลยมันสว่าง แกหันหน้ากลับไปทีมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งอยู่เตียงข้างๆเตีย ง, งแกเตียงที่แกนั่งนั่งดูทีวีอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้อายุมา20กว่าเขานั่งกอดเข่าอยู่แล้วก็เอาคางระเกยบนข่าอีกทีหนึง่งใส่ชุดของโรงพยาบาลนะแกบอกว่าตอนแรกแกไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครอะไรยังไงแกก็เลยถามว่าเอ้ามานั่งดูทีวีทําอะไรเนี่ยแล้วน้องย้ายมาห้องนี้ทําอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็นิ่งๆดูทีวีด้วยค่ะ พี่โน้ตบอกอ๋ดูเลยครับดูเลยจะดูอะไรไหมแกก็ส่งรีโมทให้ถ้าดูเดี๋ยวพี่นอนก็ได้เด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็หันหนามองหน้าพี่โอ่นิดหนึ่งลักษณะการมองคือเอาคางอะเกยไว้ที่เขาา่าอยู่ทีแล้วพี่น้ตแกก็ตะโกนถามสอ น, นั้นบอกเนี้ยมีคนมาดูด้วยเดี๋ยวไม่มาดูไงอส่งกนนั้นคืนเงียบเลยนะพี่ไม่พูดส <"2 S 1> ่งคนเลยเงียบอพี่ น, น้ตบอกว่าจากที่เขาเคยตอบแล้วรู้ว่าเขายังไม่นอนเพราะเขานอนตัวสั่นอยวเขายังไม่หลับคือเขาไม่พูดเลยเลย แก็เลยบอกสองคนนั้นเป็นอะไรรายการทีวีดีๆมีก็ไม่ดู<ม>แกกดทีวีเปลี่ยนพยายามจะหาทีวีเอาใจผู้หญิงผู้หญิงชอบแนวไหนเพราะเด็กคนนี้เขาเขาไม่คุยไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเลย<ม>แกบอกนั่งดูอยู่ประมาณเ ก, กือบครึ่งชั่วโมงได้เ<ม>ด็กผู้หญิงนี่ก็นิ่งไม่พูดไรไม่ขยับไม่กระดูกกระดิกอยู่ท่า ก, กอดเข่านั่นแหละแกก็เลยถามว่าจะนอนหรือเปล่าถ้านอนน่ะเดี๋ยวพี่ปิดทีวีให้ผู้หญิงคนเนี้ยพี่นุ่งข้าวไม่นายนี่พี่น้องแกพูดนะ ผู้หญิงคนนี้ยค่อยๆ ย, ย, ยืดตัวขึ้นออืหันหน้ามาหาแกแล้วบอกว่าแค่ช่วยเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องเหมือนทุกวันออืแกก็บอกอะไรนะแค่ช่วยเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องเหมือนทุกวันแกก็หันไปคว้ารีโมทกําลังจะเป่าพอหันจก็เอถึงปุ๊บแกบอกอกให้เบา่าใช่ไหมพี่ผู้หญิงคนนั้นแหละเขาอ้าปากกว้างแล้วก็ล้อห์ห์ห์ห์ห์หแห์แ์แ์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ ออกมาอย่างเียพี่พี่นก็บสติแกจะแตกเลยคือยีดออกมาอย่างเงี้ยสติแกจะแตกแล้วแกก็เฮ้ยเิเฮ้ยเแล้วสอนั้นคือว่าตัวสั่นเลยวิ่งวิ่งสองคนที่อยู่ริมไหนนวกระโดดลงเตียงแล้ววิ่งออกมาข้างนอกพี่นกแกก็รังชอกกับผู้หญิงคนน้ผู้หญิงนั้นก็ยีดสลับกอย่างงคือเอาปากแล้วหัวล้อใส่แกเดินไม่หมุปากแกกระโดดลงเตียงแกเดินอกมาเลยแกแบบเฮ้ยไม่ไหวแลวแกวิ่งออกมาชนตุมตึมตั้มหมดเลยนะแล้วก็ มันจะมีพวกผู้ชายที่เขาบอกเป็นเหมือนคนตรวจนะครับคก็มาล็อกแกว่าอ้าไหนว่าการอะไรยังคุ้มครั่งอย่างเราแกบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่แลว้วผู้หญิงคนนั้นสองคนนั้นก็เถียงกันปากคอใสาเลยบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่บอกแล้วว่ามือยีเดเห็นไหมหคนใหม่มาก็มาเจอเน่ยพี่เชื่อไหมพี่โน่บอกว่าบุรุษยาบาลสอคนนั้นนะเขาก็เรียกงี้นะแต่จริงอาจจะเป็นใครไม่รู้ที่คอยแบบจับตัวคนที่เขาจะหนีอะไรเงี้ยพวกคนไครเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไ่างเ้ยอ่าเป็นอย่างนั้นะครับทีนี้ว่า เขาไม่กล wow. ้าไปส่งพวกเนี้เพียงแต่เขาบอกว่าให้จับเข้าไปนอนซะกลับเข้าไปนอนแล้วพี่น้องเขาบอกว่าถ้าคุณว่าไม่มีอะไรคุณก็เข้าไปส่งพวกผมสิเขาไม่กล้าเข้าพี่เชื่อมไหมเขาไม่กล้าเข้าพี่น้องบอกเขายืนอยู่แค่ตรงนั้นแล้วเขาบอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยถ้าไม่เดินเข้าไปนะแล้วก็ว่าขยับไม้กระบอกข้างๆตัวเขานะพี่น้องเขบอกอะไรทำไมต้องทำขนาดนี้เนี่ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเนี่ยแกบอกเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บ S <S แกกลับเข้าไปนั่งแต่อันนี้ไปนั่งรวมกันแล้วอยู่มุมห้องสุดเลยทีวียังเปิดอยู่นะพี่ <S <S <S ทีวีมันเปลี่ยนปุ่มเองอยู่ตลอดเรื่อยๆทั้งคืนเลยจนเช้ามาเนี่ยแกต้องโทรหาเมียแกแล้วให้เมียแล้วเมียแกมาตามผมบอกไอ้คิงว่างไหมเนี่ยไปรับพี่น้องกับพี่หน่อยไม่รู้เป็นไรเนี่ยโทรศัพท์มารับมารักเลยเนี่ยอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกโอ้โหแกมาเล่าให้ฟังไกบอกจะช็อกให้ได้เลยหน้ามันหูมันห้าปากกว้างมากเลยแกบอกกว้างผิดรูปมนุษย์มากเลยพี่แล้วหัวเราะแบแล้วก็หัวเราะแบบเสียงร้องแรงออกมา เขาหัวใจอยู่ตะตุมเลยจะหัวใจวายตายแกบอกจะอยู่ไม่ได้นะต้องออกก่อนครับท่า น, นี้ว่าการจะออกคือต้องให้ญาติมาเซ็นยินยอมรับรู้ว่าโอเคนะเอาออกไปนะั้นเลิกบําบัดนะอะไรเงี้ยครับครับเร <laughs> ื่องนี้คือเรื่องของพีนุจะเล่าให้ฟังไหมนะว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นหันมาหัวเราะเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนหรือว่ายังอยู่หรือตอนนั้นคือไ ม, คไม่มีสติไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจอะไรละ แกบอกว่าแกนั่งฟังเนี oh. ย่ยเสียงมันหัวล้อเบาสลับเอ่อหัวล้อแห่แแห่สลับกี๊ดเนี่ยประมาณสองสายกครับพี่แ uh huh. ต่ตอนนี้แล้วแกก็ไม่ไหวแล้วพอเห็นผู้หญิงสคนนั้นวิ่งปุ๊บแกก็วิ่งกระโดดตามลงไปเลยอ๋อก็คือไปเลยใช่ครับ uh huh. เพราะในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นแห่แแหแล้วก็หัวล้อเสียงดังแแบบ่ะแกก็เฮ้ยไอ้น้องเป็นอะไรเหมือนแบบเหมือนยังตกใจอยู่เป็นอะไรอยู่ดีเมื่อกี้นะ uh huh. นึกว่าสติไม่ดี uh huh. เพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องประสาทเนี่ยนะอ๋อแต่ดูจากอันนี้แกบอกมันไม่ใช่แล้วก้วงปากกว้างมาก มันปากกว้างเกินคนเลยพี่กันเจ็บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่แกเลยโดดออกแล้วโอโ้ผมตอนแรกคือพอบอกว่าเป็นโรงพยาบาลก็บอกอ ม, มันก็ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ที่เราคุ้นเคยกันคืออันนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเรื่องของอสมองประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในนั้น เอออันนี้พี่โนเก็ไม่ได้ถามครับก mm ็ hmm. เรื่องอว่าอะไรใครเป็นยังไงแต่ว่าแกบอกว่าเจออย่างเงี้ย <c oughs> แต่ตอนที่บุรุษพยาบาลเจ้าหน้าที่สองคนนั้นนะ่ะดันแกเข้าไปกับผู้หญิงอีกสองคนดันเข้าไปไม่เห็นนะครับและท้ามแกวิ่งออกมาก็วิ่งออกม า, กออกมาไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกลหน้าห้องนะเจ้าผู้หญิงคนนั้นจะเดินออกมาแกต้องเห็น mm hmm. แต่นี้ไม่มีใครเดินออกมาแล้วเข้าไปแล้วหายแล้วตอนที่แกเข้าไปนั่งมุมในห้องอนะรีโมทคือมันเหมือนมีคนกดปุ่มอ่ะ mm hmm. เปลี่ยนช่องเองทั้งคืน mm hmm. เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาแล้วห้องนั้นไม่มีใครเเดินนนผ่าามลยะ ถ้าพวกแก่ไม่วิ่งออกไปไวายอ่ะท่านรตีก็ไม่ขึ้นมาแน่นอนแกว่ากันนะอืมก็เลยไม่รู้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยมันเคยมีประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยผมไม่ได้ถ<อ>ามคือถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับผมจะไม่ถามเลยว่าเอ้ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าแ น, น่นอนว่ามันมีเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในนั้นแต่นี้เา<ม>เป็นโรงพยาบาลที่ใช้สําหรับในการรักษาคนที่ป่วยทางจิต แล้วก็ส่วนนึ่งเนี่ยถูกแบ่งออกมาเอาไว้บําบัดคนที่เหมือนกับติดเหล้าครับออแล้วที่อ่าก็ไปเลี้ยงแปลกนะอือแล้วก็มีอีกหลายอย่างหลายประเด็นมากเช่นลุงคนนั้นอีกที่บอกตายไปแล้วน่ะตายจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ครับออแตกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้ว่าลุงนั้นตายเพราะอะไรนะจนวันนี้แกก็ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรหรือว่าจะลงแดงตายแต่มันก็ยังไม่คืน อ, อินใค ร, รว่าลงแดงเหล้าจนตายอะไรนี้นะครับหรือคุณป้าคนนั้นก็อาจจะพูดความจริงแล้วว่า เออมันตายไปแล้วอะ่ะคือแกอาจจะรู้รแต่ไม่มีใครอาจจะเชื่อแกเพราะว่าคือแกก็เหมือนกับคนที่อขาดสติอยู่ะนะฮะก็ต้องไปบําบัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพ้อเจอ้ออาจจะพูดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครั บ, รบอืออูมันเป็นมันเป็นปริศนาที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เลยนะแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้ทุกวันนี้ยังยั ง, ย, งยังเปิดทําการอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับยังอยู่ยังายู่ครับมีนักจิตวิเองครับ คือยังเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเรื่องของจิตโ ก, กประสาทโลกประสาทแล้วก็ยังถูกแบ่งโซนไว้สําหรับเรื่องของการบําบัดคนที่ติดสุราอยู่ครับผมโอ้เรื่องนี้มันนานหรือยังฮะที่ ท, ที่ที่คุณคิงเอามาเล่าเลยฮะประมาณสองปีได้แล้วนะครัประมาณสองปีแล้วใช่ไหมคือว่าเ ม, มียแกเนี่ยมาหาผมแล้วบอกให้คิงไปรับพี่หน่อยไม่รู้พี่โน๊ะเป็นอะไรแล้วว่าใหญ่โทรศัพท์มาบอกให้ไปรับด่วนเลย แล้วผมพาแกกลับมาถึงปุ๊บแกก็มานั่งเล่านักกินข้าวตอนเย็นแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกโอ้โหที่กูอยู่ไม่ได้เนะี่ยเพราะอย่างนี้แหล ะ, <c oughs> แ, ละและทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีใครแบบที่จะขัดอะไรกแกนะพี่ออื <c oughs> และอย่างหนึงอนะ่ะมันเหมือนกับเขายอมรับไปในไหนในสิ่งที่พี่โน้ตเจอเพราตอนที่เมียแกไปถามมันวิ่งนี้จริงไหมเนะี่ย <c oughs> เขาไม่ได้พูดไม่ได้เถียงและไม่ได้ปฏิเสธเลยนะัไม่ได้ปฏิเสธอะไรสักอย่างเลย